ไม่สามารถจะมองชีวิตชาตินี้ชั่วชาติหรือไม่สามารถมองข้ามหลายๆชาติและคนพานเหล่านี้ก็ปิดหูตัวเองสนิทที่จะฟังคำสอนเนี่ยนะปิดหูสนิทเลยนะปิดหูก็ไม่ได้เอาอะไรมาอุอดหูหรอกก็แปลว่าปิดปิดปากคนที่พูดธรรมะก็เท่ากับปิดหูตัวเองใช่ปิดปากที่ที่มีธรรมะปิดอะไรก็ได้สื่อที่เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องปิดให้สนิทเลยนนะ ท่านก็อันนี้คือเท่ากับปิดสติปิดปัญญาของตัวเองก็จะไม่รู้อะไรตลอดไปพรันการเจริญกุศลเนี่ยนะคนไม่ค่อยคิดเอามามาวิเคราะห์เป็นจริงเป็นจังเป็นเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่จะเอามาวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวแหรือการให้ทานมันมีผลมันมีผลอย่างไรเป็นต้นก็ไม่ไม่คิดที่จะเอามาวิเคราะห์ไม่เคยที่จะเอามาคิดงั้นคนเหล่านี้ก็เลยให้ทานชั่วระยะหนึ่งไม่เคยคิดว่าการให้ทานเป็น กิจกรรมหนึ่งของชีวิตบางคนนี่แทบไม่เคยคิดเลยว่าอย่างชาวชนบททั้งหลายว่บอ๊ยเขาให้ทานนี่ให้จริงๆเลยเขาว่างั้นนะแต่ทําไมไม่เห็นร่ำเห็นรวยสักทีเขาให้ยังไงเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านภาษีสังคมเขาจัดเก็บปีละร้อยเขาก็จ่ายร้อยหนึ่งนะถ้าภาษีสังคมเขาจัดเก็บปีละห้สิบาทเขาก็จ่าย50สิบาทไป คำว่าภาษีสังคมหมายเขาว่าภาษีวดัดภาษีอะไรก็ตามที่กติกากฎเกณฑ์ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะคนละคนละห้าสิบบาทปีละห้าสิบบาทต่อครอบครัวหรือว่าปีละร้อยบาทต่อเรือนต่อครอบครัวเนี่ยนะเขาก็จ่ายไปตั้งร้อยหนึ่งทําไมมันไม่เห็นมีได้บุญเลยนะี่ยเขาก็ถือว่าเขาทาจริงๆเลยนะจ่ายมาทุกปีเลยปีละร้อยปีละร้อยก็งั้นแต่ว่าเชื่อไหมค่าเล่าเขาจ่ายมากกว่านั้นมากมายเยนะี่ย ค่าเล่าเข้าจ่ายอดีบางคนเนี่ยหลายพันบางคนก็เป็นหมื่นเนี่ยนะค่าค่าอย่างอื่นนะแต่ไอัที่ให้เพื่อเป็นบุญเนี่ยนะแทบจะแทบจะไม่ได้ให้อัที่ให้ไปร้อยหนึ่งคือกลัวเขาว่าไม่ได้ให้เอาบุญอะไรรอกเอาเอาให้เอาหน้าห้าวอย่างอื่นเนทะ่านั้นเขาไมไ่ทราบว่าอะไรคือต้นบุญตัวบุญตัวกุศลเขาก็เลยเจริญแบบรอวันเสื่อมเนี่ยนะจ ร, จ, รจริงมันจะรู้เสื่อมยังไงละที่จริงเขาเขาเหลือแต่สุขติทบเท่านั้นแหละที่รักษา พอมายังหลายๆครั้งเนี่ยยัง น, นึกในใจว่าถ้าเขาจุติแล้วเขาจะไปอยู่เผ่าไหนเนาะจะอยู่ฝูงไหนนาะเนะีน่ยนะยังนึกในใจว่าเป็นกลุ่มสัตว์น้ําหรือกลุ่มสัตว์บกไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราคิดตามคําสอนว่าเส้นทางเดินของเขาเขาเดินไปไม่ได้ไปเดินไปสู่ที่ที่ดีเท่าไหร่เลยนะเขาเดินไปสู่ทางแห่งความเหมือนกับว่าเดินไปไปตกเพื่อเดินไปเพื่อจะตกเหวจะอยู่ที่ไหนจะตกลึกแค่ไหนเนาะ มันคนที่ไม่ไม่รู้รู้เหตุเนี่ยนะจะเจริญกุศลได้ไม่ยาวและต่อเนื่องทมก็ทำแบบกระปิดกระปอยเป็นต้นทีนี้ถ้าไม่แยกแม้กระทั่งเจตนาที่ให้ไม่แยกผู้รับเป็นต้นก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ซึ่งจะต่างจากพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้เลือกว่าท่านต้องให้ใครแต่ท่านจะให้เหมือนห ม, ม้อคว่มท่านจะให้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานยันถึงพระพุทธเจ้าท่านให้หมดเท่าที่ท่านจะ ให้ได้แต่ถ้าเจอผู้เจ้าท่านก็ทำมากหน่อยทำเต็มที่หน่อยนะแต่ถ้าเจอพวกนี้ทั่วไปท่านก็กระจายกระจายในการให้อย่างกว้างขวางแต่คนทั่วๆไปเนี่ยนะไม่ได้เคยสมาทานที่จะตั้งใจเพื่อที่จะให้บางทีก็กำหนดกฎเกณฑ์ว่าชาตินี้ควรซื้อบุญเท่าไหรด่ดีนะ ก, ก็ลักษณะซื้อบุญนะว่าชาตินี้ควรจะซื้อบุญเท่าไหรด่ดีมันก็มองไปที่วัตถุแตไม่เคยมองมาที่เจตนาที่ว่าชาตินี้ ความคิดที่จะให้ควรมีกี่ครั้งดีตั้งเป้าไหมว่าความคิดที่จะให้ควรมีกี่ครั้งให้อะไรบ้า ง, างแล้วสิ่งที่เราให้ถ้าเราคิดแบบสังสารวัตรหน่อยนะพอไหมที่จะใช้สอยในพบต่อต่อไปพระ อ, องค์ตรัสว่าบัตรนี้ท่านเป็นเหมือนกับใบไม้เหลืองแล้วใบไม้เหลืองก็แปลว่ามันจะหล่นจากขั้วใช่ไหมที่พักในระหว่างทางของท่านก็ไม่มี บุรุษแห่งพญายมก็ปรากฏแก่ท่านแล้วที่พึ่งในระหว่างทางท่านก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบัณฑิตซะเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ทางแห่งความเจริญรู้ทางแห่งความเสือ่อมรู้ทางไปสู่อบายรู้ทางไปสู่สุคติแล้วก็จงรู้หนทางเพื่อไปถึงทันิผานเนี่ยทางคือมักอันประกอบไปด้วยองแปดเป็นต้นนั้นคนที่กําหนดแยกแยะทาง คือสาเหตุได้ น, นะคนเหล่านี้จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอมาฟังคําว่าอู้แลแต่อัธยาศัยแล้วแต่อัธยาศัยคํำนี้น่าชกย่องไหมยอย่างอัธยาศัยเนี่ยปกติแล้วอัธยาศัยเนี่ยนะฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอัธยาศัยของผู้ที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยโดยจริงๆแล้วท่านตั้งอัธยาศัยของท่านไม่หประการอัธยาศัยหกนะัคือหนึ่งอะโลภะสองอะโทสะสาม โมหะสี่วิเนฆมมะสามห้าวิเวกและก็สุดท้ายนิสรณะอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภอัธยาศัยไม่โกรธอัธยาศัยไม่หลงอัธยาศัยในการออกจากกามอัธยาศัยที่จะวิเวกอัธยาศัยที่จะออกจากวัตตอัธยาศัยหกประการของท่านทีนี้สมัยใหม่ก็บอกว่าเออถ้ามักโกรธเป็นอัธยาศัยก็ส่งเสริมมันต่อไป มันขี้โลภกาส่งเสริมความโลภต่อไปถ้ายิ่งเข้าใจผิดก็อัธยาศัยเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยงั้นอัธยาศัยที่ไม่ดีคนรทำยังไงอัธยาศัยตระหีทําไงก็ต้องแก้อัธยาศัยซะแก้อัธยาศัยแต่ถ้าอย่างพระโพธิสัตว์ท่านมีอัธยาศัยดีอยู่แล้วเมื่อดีอยู่แล้วก็ต้องตามอัธยาศัยเพิ่มอัธยาศัยเหล่านั้นให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นอัธยาศัยในบารมีสิบ พระโพธิสัตว์คือผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อบำเพ็ญบารมีเสร็จแต่ตอนนี้เราเรียนทานนะบารมีเป็นถือว่าเป็นประเด็นหลักเนี่ยนะเพราะนั้นเมื่ อ, อก็เลยสรรเสริญว่าพระองค์มีอัธยาศัยในการบริจาคเนี่ยนะก็จึงน้อมไปเพื่อการบริจาคในทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะวันยังไงว่าวันละวันละกี่แสนดีวันละหกแสน น, นะ น, นี้คือของแล้วจับบางคนเนี่ยนะว่าชาตินี้ควรจะ ทำบุญกับคนกี่คนดีคนที่เราจะให้ควรคนที่รับของของเราควรจะกี่กี่บุคคลดีบางคนนี่จำบางคนนี่จำกัดครั้งจํากัดจิตว่าตัวเองให้แค่ครั้งเดียวพอให้ครั้งเดียวพอเลยจบเลยบางคนเนี่ยจํากัดใจตัวเองว่าชาติเนี้ยควรจะให้เท่านี้ครั้งก็พอละบางคนจํากัดวัตถุตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตามใจอ่นะ ไอ้ไอ้ก็รอยยอดสูงสูงในความรู้สึกของเขาเท่าไหร่เขาก็ตั้งไว้เท่านั้นบางคนเนี่ยให้โดยที่จำกัดบุคคลพระโพธิสัตว์อัธยาศัยในทานของท่านไม่จำกัดตัวสภาพจิตที่จะให้ไม่จำกัดของที่จะให้และไม่จำกัดผู้รับเนี่ยนะของเราก็ต้องถามว่าเอเจตนาที่จะให้วันวันหนึ่งบางทีมันเนี่ยนะเข้าพรรษาปีนี้เราจะให้อะไรอีตั้งนานกว่าจะเข้าพรรษายงงนะ บางคนเนี่ยมันมองไกลจริงๆเลยนะโอ้ปีหน้านี้จะไปทอดกระถินที่ไหนดีโน้ต no. คิดเลยไปถึงออกพรรษาแล้วแต่ว่าไอระหว่างเนี่ยที่คิดจะให้ก็ถือว่าจํากัดมันพวกนี้จํากัดเวลาที่จะให้เพราะการให้ที่ที่คนที่จะออกจากวะตะเพื่อความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเขาไม่จํากัดสภาพจิตว่าจิตที่คิดจะให้ไม่จํากัดปริมาณว่าควรจะกี่ครั้งะนะให้ได้ทุกขณะจิตก็จะทำอย่างนั้นแนตะ่วังนั้นเถอะ อย่างที่สองไม่จำกัดเวลาว่าจะต้องให้เวลาใดแต่สาตว์บุรุษทั้งหลายเขาเลือกเขาทำบุญเป็นนะแล้วก็ต่อไปไม่จำกัดวัตถุเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะมีอยู่สเข้อต่อไปไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดสถานที่เนี่ยนะมันใครที่ที่สามารถเจริญได้ตามนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมสูงสุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะอ่อย่างเขาไปยุคนี้เนี่ย พระ อ, องค์บอกว่าคุณสมบัติของอุบาสกอย่างหนึ่งก็คือไม่แสวงบุญนอกาศาสนาเนี่ยนะไม่แสวงบุญนอกจากอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันอยู่กับพระตนะไตรถามว่าทำไมทาไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นชาวนาที่ที่ที่ฉลาดเนี่ยนะขนข้าวไปสักพันเล่มเกวียนเลยนะไปหวานที่ทะเลทรายสนใจัหม ไปหวานในนาที่มันแห้งแล้งไปหวานในนาดินเค็มเป็นต้นเน่ยพ่อค้าที่ฉลาดเขาเลือกทําอะไรเขาก็เลือกนาดีพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันเขาบอกว่าในบรรดาถ้าจะปาฏิปุตรก ฤ, กฤานจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่ควรบูชาจะมีอะไรเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในบรรดาหมู่คณะที่ปฏิบัติดีคณะที่ปฏิบัติชอบก็ไม่มีคณะไหนที่มีคุณเหมือนกับคณะสงฆ์สาวกของ พระพุทธเจ้าเพราะเขาจึงเลือกเนื้อนาที่ทำแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ทำอย่างอื่นก็ทำแต่ว่าทำแบบด้วยใจกรุณาด้วยใจที่มุ่งส่งเคราะห์เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าพระราชาที่มีปกติอยู่ด้วยอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อการให้ทานเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะไม่มีพระพุทธศาสนา เกิดมาในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยนะใจของคนที่น้อมจะไปบุญเนี่ยขอบเขตในการเจริญบุญเนี่ยถือว่าจํากัดขอบเขตที่จะให้ทานอ่าขอบเขตที่จะเจริญกุศลเนี่ยถือว่าจํากัดมากมเลยนะถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นขอบเขตในการรักษาศีลก็จํากัดขอบเขตในการเจริญสมถวิปัสสนาก็จํากัดขอบเขตใน เ, ว, เในวี ย, ยาวัจจะไม่อภจญนะไมเป็นต้นจํากัดหมดเลยเนี่ยนะ เรี ว, ว่าหาพระเจดีไม่รู้จะไปไหว้พระเจดีที่ไหนเป็นต้นนั้นก็เหลือแต่เ น, นี่ยให้ทานท่านพระโพธิสัตว์ก็เลยตั้งโรงทานเลยนะจะได้ให้ได้บ่อยให้ได้มากพูดถึงในแคว้นสมัยนั้นก็มีหลายแคว้นเช่นแคว้นกะลิงคะเป็นต้นเลยนะแคว้นกะลิงคะก็เกิดภัยสามประการคือทุพภิกข์ภัยเนี่ยนะก็คืออาหารนี่หายากฉาตกะภัยก็คือหิวโหยอดอยาก โรคภัยก่อนนะถ้าอดอยากหิวโหยโรคจะไปไหนชาวแคว้นทั้งสิน้นแชแควนกะลิงคะประพากันในไปทันตะบุรีเมืองของเมืองประจําแควนกะลิงคะชื่อว่าเมืองทันตะบุรีกราบทูลร้องเรียนส่งเสียงอื้อๆประท้วงที่หน้าประตูพระราชวังว่าข้าแต่เทวะคือข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพคือเทวดาในหมู่มนุษย์ขอพระองค์จงทรงให้ฝนตกเติดพระเจ้าค่ะ ว่าไปสั่งให้ไปบอกให้พระราชาบอกให้ฝนตกสัทีอยงนั้นพระราชาพอฟังเสียงอย่างนั้นแล้วก็ถามพวกอมตะนะฟังคําประท้วงขอร้องว่าประชาชนร้องเรียนเรื่องอะไรกันอํามาตะก็กราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาก็สั่งถามว่าพระราชาแต่ก่อนนะพระราชาองค์ก่อนก่อนเมื่อฝนไม่ตกเขาทาอย่างไรกันกราบทูลว่าทรงให้ทานทรงอธิษฐานอุโบสถแล้วก็สมาทานศีล เข้าเรียกว่าสำนวนว่าจำศีลเหมือนกันเถอะไปอยู่จำศีลในห้องเนี่ยเจ็ดวันนะให้ทานสมาทานศีลอยู่เจ็ดวันนะที่ทรงธทรำรแล้วก็อธิษฐานขอให้ฝนตกพระราชาพอฟังวิธีการก็เลยทําบ้างฝนก็ไม่ตกทานก็ให้แล้วให้ไปตั้งหลายหลายตังเหมือนั้นเถอะสมาทานศีลก็สมาทานแล้วเนี่ยนะก็อยู่นอนอยู่ในห้องไม่ทาอะไรเลยตั้งเจ็ดวันนะ่ะฝนก็ไม่ยอมตกก็บอกว่า เราได้ทํากิจที่ควรทําแล้วฝนก็ไม่ตกเราจะทําอย่างไรต่อไปไอคนกราบทูนเนี่ยนะที่ปรึกษาทั้งหลายมันเสนอไปเรื่อยจริงไม่จริงไม่รู้ว่าเสนอเพราะอะไรนะก็เกิดมาเป็นที่ปรึกษาใช่าไหมนัม้นเขาถามอะไรตอบได้หมดตอบได้ทุกเรื่องถูกผูกอีกเรื่องหนึ่งนะนั้นพวกนี้รับปรึกษาหมดนะนะราชกิจราชการก็เหมือนกันให้พาปรึกษาหมดเพราะนั้นก็เดาเอาอะนะเป็นพวกนักเดาทั้งหลายในในสมัยโบราณเนี่ยนะไอที่ปรึกษาเนี่ยพาสร้างปัญหาหลายเรื่องด้วยกันนี่ก็เหมือนกัน ที่ปรึกษาก็แนะนำว่าขอเดชะเมื่อพระองค์ไปนำพญาโคจสารมงคลหัตถีของพระเจ้าธนันชัยกุรุราชในอินทปัตนครมาฝนก็นจะตกพระเจ้าขาเหนนะมือนกับสมัยใหม่ว่าถ้าได้เครื่องบินมาสักฝูงหนึ่งฝนตกแน่วนะนะตั้งเป้าหม้อะไรแปลกปลัดนะนะแต่ไม่แน่นะถ้าครามฝนเทียมใช่ไหมพระราชากรับสั่งว่า พระราชาพระองค์นั้นมีพลพาหนะเข้มแข็งปราบปรามได้ยากเราจะไป น, นำคดจารของพระองค์มาได้อย่างไรเล่าเป็นไปได้อย่างไรงนนเถอะคือพระราชาคิดแต่ใช้กำลังอย่างเดียวนะพระราชาพระองค์นี้ใช้กำลังอย่างเดียวถ้าจะเอาช้างของพระราชาอีกแคว้นมาก็ต้องไปรบเอาสิจะไปรบชนะเขาได้อย่างไรหมอนนอามาตย์ที่ปรึกษากราบทูลมาโคเดชะข้าแต่มหาราชเจ้า มิได้มีการรบพุ่งพระราชานั้นเลยพระเจ้าข่าไม่ต้องรบรบ๊กทำไมล่ะก็เพราะว่าพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยมีอัธยาศัยในการบริจาคนะเป็นพวกพวกมหาบริจาคเหมือนกันแท้ยินดีในทานเมื่อมีผู้มาทูลขอแล้วแม้พระเศียงที่ตกแต่งแล้วก็ตัดให้ได้พระาพราชาองค์นี้เนี่ยก็เอาคกว่าเอามงกุฎประดับเพชรประดับศีสะอย่างเรียบร้อยดีเยี่ยม ตัดคอให้ไปเลยพร้อมทั้งเครื่องประดับนั้นได้เลยแล้วก็แม้พระเนตรที่สมบูรณ์ด้วยคเคำว่าตาอย่างดีเนี่ยนะตาชั้นเยี่ยมเห็นได้อย่างชัดเจนก็ควักให้เป็นทานได้แม้แต่ราชาสมบัติเนี่ยนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดในแวดแหวนของพระองค์ทั้งสิ้นก็มอบให้ได้ไม่ต้องพูดถึงพยาโคชสารเลยไม่ต้องไปพูดถึงช้างเชือกเดียวรอกเมื่อไปทูลขอแล้วจะพระราชท า, านเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะ ไอ้แคว้นกะลิงข่านี่มันเดือดร้อนมาสามายุคหนึ่งนะยุคพระเวสสันดร น, นี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันยุคพระเวสสันดรก็มาขอแกแคว้นกะลิงข่าก็อดอยากอย่างนี้แหละก็มาขอช้างอีกไอ้เมืองนี้ชอบขอช้างจริงเลยนะทีนี้พระราชาก็ถามว่าใครละ่ะจะเป็นผู้สา ม, มารถทูลขอช้างได้นะถามที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชพรามพระเจ้าค่ะพรามนี่แสดงว่าพวกขี่ขอแน่นอนเลยไนอะ้พวก นักขอว่ากันประราชาก็รับสั่งให้เรียกพราหมณ์แดคนเข้าเฝ้ามาทำสักการะสัมมาณาบูชายกย่องนะบูชายกย่องก็คือจัดงานเลี้ยงให้แก่พวกพราหมณนะแล้วก็ส่งสเสบียงเพื่อจะไปขอพยาโคจฉานพราหมณ์เหล่านั้นก็รีบไปโดยคืนเดียวไหมเพราะว่าแต่ละแห่งนอนคืนเดียวไม่รอค้างคาอะไรนะคำไหนนอนนั่นค้างเสร็จไปรีบไปต่อนั้นบริไปบริโภคอาหารที่โรงทานใกล้ประตูพระนคร อยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยครั้นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูด้านตะวันออกรอเวลาพระราชาสเสด็จมายังโรงทานพระโพธิสัตว์ก็ทรงสนานแต่เช้าตรูประดับด้วยเครื่องประดับสับพระอลังการเสร็จแล้วก็ขึ้นคอพยาโคจสาตัวประเสริฐที่ตกแต่งแล้วสเสด็จไปยังโรงทานด้วยราชานุภาพอันใหญ่หลวงก็คือมีบริวารมีกองทัพมานะ ปกปักรักษาทั้งหมดเสด็จลงพระราชทานแก่ชนแปดเจ็ดแปดคนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเรียกว่าให้พอเป็นพิธีนะก็เหมือนกับว่าพระราชาประเคนของพระสักรูปสองรูปสามรูปกี่รูปก็ว่าไปที่เหลือก็ที่เล้วเขาคนอื่งเขาก็ถวายต่อไปลักษณะนี้นะพวกพราหมณ์ไม่ได้โอกาสเพราะเดินทางที่ตะวันออกจัดอารักขาเข้มแข็งมากเข้าไปใกล้ไม่ได้ พระราชาสมัยก่อนเนี่ยถึงอัธยาศัยในการบริจาคมากก็จริงแต่ว่าองค์ครักษ์เขาพิทักษ์รักษาปกป้องเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอารักขาเข้มแข็งมากเข้าไปใกล้ไม่ได้จึงไปที่ประตูทิศใต้คอยดูพระราชาเสด็จมาอยู่นะอยู่ในที่เนินไม่ไกลจากประตูเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็ทรงก็ยกมือถวายชัยมงคลทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะเนี่ยนะส่งเสียงดังให้พระราชาหันมาดูหน่อย พระราชาก็บังคับช้างให้กลับด้วยจกขอเพชรเข้าไปหาพรามเหล่านั้นคือรู้แล้วว่าพวกนี้นักขอแน่นอนเนยนะแม้กรงนักขอเนี่ยนะไอ้คว่านักขอตรงนี้เนี่ยนะนักสแสวงบุญเขาก็ต้องไปหาที่ทำบุญเหมือนกันที่ใดเขาต้องการเพราะฉะนั้นก็กลุ่มเหล่านี้ต้องการก็เลยหันไปถามพวกพรามว่าพวกท่านต้องการอะไรเนี่ยนะบอกวัตถุประสงค์เลยนะ พวกพราหมณ์ก็กราบทูลว่าขอเดชะแขวนกระลิงฆ่ถูกทุบพิกรไพรช้าตะกะภัยโรคไพรโรคกวนไพรนีแ่แปลว่าหน่ากลัวใช่ไห้หน่ากลัวเพราะข้าวยากมากแพงอัะนะอดอยากหิวห้วยความน่ากลัวที่เกิดจากโรคสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นความรบกวนเนี่ยนะความหน่ากลัวด้วยภัยเหล่านั้นจักสงบลงได้ก็ต่อเมื่อ น, นำพญามงคลหัดถีของพระองค์เชือกนี้ไปแต่ช้างได้ช้างเชือกนี้ไปฝนตกแน่พระเจ้าค่ะ ขอพระองค์จงโปรดพระราชทานพญาโคจสาลสีดอกอัญชันเชื่องนี้เถอ พ, พระเจ้าข้านะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าการที่เราจะทำลายความต้องการของยาจกทั้งหลายไม่เป็นการสมควรแก่เราคือว่าทาไม่ได้หรอกที่จะทำลายความประสงค์ของผู้ขอเนี่ยนะและพึงเป็นการทำลายกุศลสมาทานของเราอีกด้วย สมาทาน ไ, ไม่ได้สมาทานที่จะไม่ให้แต่สมาทานเพื่อจะให้ตั้งใจเพื่อจะให้ถ้าเราไม่ให้อย่างเดียวเนี่ยนะเสียหายสองประการประการแรกผู้ขอก็เสื่อมจากสิ่งที่เขาต้องการประการที่สองเราก็เสียหายบุญทําลายบุญของเราอีกก็เลยลงจากข้อคดสารมีพระดํารัสว่าหากที่มิได้มีตกแต่งมีอยู่เราจะตกแต่งแล้วก็ให้ก็ตรวจ ด, ดูรอบๆคือช้างของประราชาเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้ของอะไรโดดๆให้ของหนึ่งอย่างจะต้องมีบริวารทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่ใช่ให้ข้าวก็ให้แต่ข้าวปั้นเดียวก็พอแล้วนะไม่ใช่ลักษณะนั้นนี่ก็เหมือนการให้ช้างก็ต้องให้ช้างที่ประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็จับพญาคจฉาสันที่งวงวางไว้บนมือของพราหมณ์ส่งหลังน้ําอบที่ทําด้วยดอกไม้และของหอมด้วยพระน้ําเต้าทองนะน้ําอบในพระน้ําเต้าทองก็หลังลงมา พระราชทานแก่พราหมณ์เพราะฉะนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ภาษาริบุตรฟังว่าการห้ามยาจกทั้งหลายที่บันเทงแล้วไม่สมควรแก่เราเลยกุศลสมาทานคือการสมาทานตั้งใจที่ทํากุศลของเราอย่าได้ทําลายเสียเลยเราจะให้คชสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงคชสารบนมือของพราหมณ์แล้วก็หลังน้ําน้ําเต้าลงบนฝ่ามืออ่าลงบนมือให้พยาคชสารตัวนั้นแก่พราหมณ์ บทว่ามาเมพิชิสมาทานังกุศลสมาทานของเราอย่าทําลายเสียเลยคือกุศลสมาทานอันใดที่เราได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะให้สิ่งทั้งปวงที่ไม่มีโทษนะเน้นพิเศษเลยนะจะต้องให้สิ่งที่ไม่มีโทษซึ่งยาจกทั้งปวงต้องการจากบําเทนฐานบารมีเพื่อต้องการพระสพัญญุตยานกุศลสมาทานอันนั้นอย่าทําลายเสียเลยเนี่ยนะ ความตั้งใจเดิมที่ตั้งเอาไว้ว่าจะให้ทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อพระสัพพันยูเียนะก็สมาทานท่านสมาทานที่จะให้สมาทานเหมือนกับหม้อที่คว่ำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะให้โคจฉาสตัวประเสริฐอันเป็นมงคลหัตถีนี้เมื่อพระราชทานพญาโคจฉารแล้วพวกอมาตพากันกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงพระราชทานมงคลหัตถี ควรจะพระราชทานช้างเชือกอื่นไม่ใช่หรื อ, อนนะถ้าจะให้ช้างไหนๆก็ช้างมามีตั้งเยอะแยะเ่ให้ตัวอื่นเป็นไรมงคลหัดทีฝึกไว้แล้วสำหรับเป็นช้างทรงเห็นปานนี้อันพระราชาผู้ทรงหวังความเป็นใหญ่และชัยชนะไม่ควรจะพระราชทานเลยพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราจะให้สิ่งที่ยาจกทั้งหลายขอกับเราหากว่าเขาขอราชสมบัติกับเรา เราก็จะให้ราชสมบัติแก่พวกเขาสัพพัญยุตยานเท่านั้นเป็นที่รักอย่างยิ่งแม้กว่าราชสมบัติแม้กว่าชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เราได้ให้พยาคตจารนั้นไป <c oughs> บทว่ากิงเตรัชังกริสติ พระองค์จกักถวายราชสมพระองค์จักสเสวยราชสมบัติได้อย่างไรเมื่อไม่มีพยาโคจรสารบทว่ารัชชปิเมทะเทสับพังความว่ า, วาแม้ราชสมบัติทั้งหมดทั้งปวงเราก็จะให้อธิบายว่าพยาโคจรสารเป็นเดรฉานจงยกไว้เถิดแม้แคว้นกุรุทั้งหมดเราก็พึงให้แก่ผู้ขอทั้งหลายบทว่าสรีรังทัชมัตตโนถึงสรีระของตนเราก็พึงให้ จะพูดไปทําไมถึงราชสมบัติแม้สรีระของเราเราก็พึงให้แก่ผู้ขอทั้งหลายได้คือตอนแรกเนี่ยนะคนทั้งหลายเหมือนก็หวงทรัพย์เพื่อต้องการรักษาสิ่งรวมๆมาไว้ใช่ไหมเช่นยอมเสียช้างเป็นต้นเพื่อรักษาบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าจะถูกประหาร น, น่ะนะบ้านเมืองจงทิ้งไว้หนีดีกว่าเนี่ยนะเั้นคนทั้งหลายหนีจากบ้านจากเมืองไม่อาลัยอาวร์ก็หนีไปเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยนะเพรา ะ, ะถือว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ หวงเหนที่สุดถือว่าไอรักภายนอกกวรักห่วงอ่ะนะแต่ว่ายอมตัดตๆๆ ต, ต, ตไปเรื่อยเพื่อจะรักษาชีวิตแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดจะยิ่งใหญ่กว่ากุศลที่จะต้องทําลายสิ่งใดเพื่อที่จะอ่านะจะต้องรักษาสิ่งใดแล้วทําลายกุศลไม่มีไม่มีเหตุผลที่ต้องทําลายกุศลมีแต่เหตุผลว่าต้องทำอ่าอย่างอื่นจะรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้กุศลเจตนาอันเนี้ยจงเป็นไปอยา่าง ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสาตจักกิริยาเนี่ยนะบำเพ็ญกุศลที่ทำนี่ให้ต่อเนื่องเพื่อจะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นนะจะพูดไปทําไมถึงราชสมบัติแม้แต่สรีระเราก็ยังให้ได้เพราะคนเนี่ยนะในโลกนี่มันจะหวงอะไรเท่าที่สุดเท่ากับชีวิตไม่มีกแล้วเนี่นะเพราะฉะนั้นแม้สิ่งครอหสิ่งที่เราครอบครองไม่ว่าจะเป็นภายในตัวเราภายนอกตัวเราทั้งหมดเราก็จะสละให้ได้เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก แสดงว่าเพราะพระสัพพัญยุตยานและความเป็นพระสัพพัญยูเป็นที่รักของเราอันเราผู้ไม่บำเพ็ญบารมีทั้งปวงมีทานศีลเป็นต้นแล้วไม่สามารถจะได้เป็นจะไปได้ยังไงบอกโอ้ต้องการเหลือเกินสัพพัญยุตยานแต่ว่าทานก็ให้ไม่ได้ใครขออะไรก็ตณีเหลือเกินเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า อยากได้จริงๆเลยนิพานเหมนะือนกันแต่ให้ทานก็ไม่ได้ฟังทำก็ไม่ได้มันยุ่งไปหมดเนี่ยนะทานก็ไม่ได้ซีนก็ไม่รักษาพาวนาก็ไม่เจิออะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะเอาแต่นิพานนะ่นะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะการที่จะเข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงได้ก็ต้องมีการจากกันนะก็ต้องมีการสละเพราะว่าไม่ทำเหตุและจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาโคชสารทีนี้เอาช้างไปได้ดีจริงหรือเพผนก็พยาโคชสารเชือกนั้นมาถึงแควนกระลิงข้าฝนก็ไม่ตกตามเดิมเพราะช้างไม่ใช่ตัวเรียกเรียกฝนที่ไหนพระเจ้ากระลิงข้าก็ตรัสถามว่าบัดนี้ฝนก็ไม่ตกเพราะเหตุอะไรเนาะที่ปรึกษาก็โอ้ไม่มีจนนะนะให้แนะนําได้หมดอะเอางี้ก็แล้วกันนะงนั้น ทราบมาว่าพระเจ้ากุรุเนี่ยทรงรักษาครุธรรมด้วยเหตุนั้นทายในแว่นแคว้นของพระองค์ฝนจึงตกทุกเกือกเดือนหรือทุกสิบวันตามลําดับบางครั้งสามวันเจ็วันแปดวันฝนก็ตกแล้วบางทีก็มาอย่างนานที่สุดสิหวันฝนตกมาเงินเพราะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ประพฤติอยู่ในครุธรรมหรือในครุธรรมเพราะด้วยคู่อ น, นุภาพของพระราชาไม่ใช่อนุภาพของเดริชาน นะที่ปรึกษาแสดงว่าที่ปรึกษาคณะใหม่นะที่ปรึกษาคณะแรกขอให้ไปขอช้างมาที่ปรึกษาอีกคณะหนึ่งบอกว่าฝนตกเพราะคุณธรรมของผู้นำเนี่ยนะเขาบอกว่าหลักการเขามีอย่างนี้นะว่าเมื่อพระราชาผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการทั้งหลายดารงอยู่ในธรรมอนะนะพวกอะไรนะ ชาวแว่นแขวนทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรม อ, นนะอุณหภูมิก็จะอยู่เสมอตัวนนะลมก็จะไม่แรงจนเกินไปเมื่ออุณหภูมิเนี่ยปรับตัวคงที่อยู่ได้จะทำให้ลมพัดไปตามสมควรเทวดาก็น้อมไปเพื่อจะเล่นสาธุกีฬาเป็นต้นฝนก็จะตกต้องตามฤดูการข้าวปลาธัญญาหารก็จะเจริญเพราะฉะนั้นตัวที่สาคัญที่สุดถ้า พ, พระราชาผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ดำรงอยู่ในธรรม บุคคลที่เหลือก็จะดำรงอยู่ในธรรมเป็นเหตุให้ฝนเป็นต้นตกต้องตามฤดูกาลทีนี้ที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยด้วยอนุภาพของพระราชาที่ดำรงอยู่ในธรรมผันไปศึกษาดูซิว่าพระราชาพราะองค์นั้นเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมอะไรไปจบมาเลยไปกำหนดจดจามาไปเขียนมาจะได้มาปฏิบัติตามเพื่อที่ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาลก็เลยให้ไปเขียนครุธรรมมาก็ ครุธรรมสมัยนั้นะนะก็คืออะไรก็คือศีลห้านั่นและเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงรักษาศีลห้ากระทำศีลห้าเหล่านั้นได้อยา่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเจตนาที่จะเป็นเหตุให้ข้ามดดำดําแดงยังไม่มีเจตนาถือเอาสิ่งของผู้อื่นก็เป็นต้นก็ไม่มีทั้งศีลห้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยดีเยี่ยมไม่ใช่แต่พระราชาเท่านั้นนะที่รักษาศีลดีแม้แต่แม่ของพระโพธิสัตว์คือพระราชมารดาอัครมเหสีกนิถาคือน้องอุปราตคือบุตร ปุโรหิตปุโรหิตก็คืออามาตที่ปรึกษาพราหมณ์พนักงานรางวัดอามาตสารถีเศรษฐีพนักงานเก็บภาษีอากรคนเฝ้าประตูโดยที่สุดแม้กระทั่งโสเภณีก็ศีลห้าวันณนะทาศีก็ศีลห้าเอา้าโสเภณีมีทั้งหลายผู้ชายเนี่ยจะเป็นศินห้าได้ยังไงถ้าตัวเองยังไม่มีผัวจริงๆสา ม, มารถอ่ะนะคือถ้าตัวเองไม่มีสามีเป็น เป็นลักษณะมีเจ้าของจริงถ้าตัวเองไม่มีเจ้าของก็ยังขายตัวไปได้อยู่ตลอดไปพันธ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุให้ผิดศีลห้านี่นะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ชายที่ไปเที่ยวผิดผู้หญิง20ประเภทอันนี้ผิดศีลห้าแต่ถ้าผู้หญิง12ประเภทที่มีสามีแล้วเป็นต้นไปผิดกับชายอื่นอันนี้เป็นเหตุให้ผิดศีลห้าพันธโสเภณีจึงสา ม, มารถรักษาศีลห้าได้นี่นะแม้กระทั่งวันนาะทาสียิงตักน้ําก็รักษาศีลห้า เพราะครุเปอคราว่ารักษาครุธรรมเช่นกับพระโพธิสัตว์พันคนทั้ง11กลุ่มเหล่านี้ก็มีการรักษาศีลห้าก็พวกอํามาตะเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถามว่าเราก็ยังสงสัยอยู่ในครุธรรมศีลหของเราเนี่ยนะดูเหมือนจะไม่บริสุทธิ์ปลุดป้องจริงๆไปถามแม่ของเราเถอะนะก็ไปเที่ยวถามถามถามโน่นนะสิชั้น สรุปกลับมาถามพระราชาตามเดิมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าชื่อว่าความเคลือบแคลงย่อมมีแก่ผู้ยังต้องการอาหารมีความประพฤติขัดเกลากิเลสขอพระองค์ปโปรดพระราชทานแก่พวกข้าพระองค์เถอระเจ้าค่ะไอ้สงสัยเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปสนใจมันเลยเอาไอ้ที่หลักๆเถอว่ากันก็เลยรับสั่งให้เขียนลงในสุพรรณบัตรสุพรรณบัตรก็คือบัตรทองอ่ะนะบัตรทองหมายถึงว่าแผ่นทองคํา ว่าหนึ่งไม่ควรฆ่าสัตว์สองไม่ควรรักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในกรรมไม่ควรพูดปลดไม่ควรดื่มน้ำเมา แล้วก็บอกว่าจงไปในสำนักของพระราชชน น, นี่คือทุกคนก็เขียนสีนหน้าให้หมดเลยเขียนหลักการว่าพระราชาควรทําตัวยังไงแม่พระราชาควรทําตัวยังไงมเหสีพระราชาควรทําตัวยังไงน้องของพระราชาควรทําตัวยังไงลูกของพระราชาควรทําตัวยังไงปโปรหิตผู้สั่งสอนพระราชาเป็นต้นทุกคนให้มีการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนก็คือศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของผู้ปกครองทั้งหมด ก็เข้าไปเฝ้าวันฝ่ายพระราชาแคว้นกุรุรัตเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามธรรมมีการบำเพญ็ญศีลห้าหลังจากที่บ้านเมืองผู้ปกครองทุกคนเนี่ยนะบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ในศีลในธรรมฝนก็ตกทั่วแควนกะลิงคะภัยสามประการก็สงบแควนก็ได้เป็นแดนกเกษมหาภิกษาได้ง่ายพระโพธิสัตว์ก็บาเพ็ญบุญมีฐานเป็นต้นตลอด พระชนมายุเนี่ยนะตลอดพระชนมายุพร้อมด้วยบริษัทก็อุบัติขึ้นในเมืองสวรรค์หญิงงามเมืองในครั้งนั้นคือนางอุบลวรรณา ค, ะนะคนนะนคนแมนนางอุบลวรรณา น, านี่บางชาติก็เป็นโสภาเนียเนาะคนเฝ้าประตูก็คือพระปุณณะเนี่ยนะปุณณะพนักงานรางวัดเจา้าหน้าที่วัดที่ดิน่นะกรมที่ดินก็ เรียกวา่าทิบดีกรมที่ดินก็คือพระกัจยานะบางงันแต่ทิบดีกรมสำตะ ก, กรก็คือพระพระโมคลานะนนเศรษฐีก็คือนนั้ภาษาลีบุตรใช่ไหมสารธีผู้ขับรถก็พระอนรธุธะพราหมณ์ที่ปรึกษาผู้ถือศีลก็พระมาหากระสปะอุปราชอุปราชก็คือน้องอันนะั้น้องของพระราชาก็คือพระนันทบัณฑิตพระมเหสีก็คือมารดาพระาหุน พระชนนีก็คือพระมหามายาเทวีพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชาในแคว้นกุรุก็คือเราตถาคตเนี่ยนะนั่นก็พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะวันในภพนั้นก็บำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชาตินั้นก็ถือว่าเป็นรากรากอีกหนึ่งรากที่ย่างลงเพื่อดูดซับอาหารเพื่อความเป็นต้นโพเนี่ยนะโพคือโพธิญาณของพระพุทธเจ้า อันบุญกุศลเหล่านั้นก็หล่อเลี้ยงทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า